ข้อที่53พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่สดังต่อไปนี้บาทคาถาว่ายาติมัจเจวิโรจติความว่าย่อมสง่างามในทถ้ำกลางหมู่ญาติเหมือนอธิมุตตะสมัมเนินฉนั้นเรื่องอธิมุตตะสมัมเนินได้ยินว่าอธิมุตตกะสมัมเนินนั้น เป็นหลานของพระสังกิจเจระเธอถูกพระเถระส่งไปด้วยสั่งว่าเธอจงไปถามอายุแล้วกลับมาเราจะให้เธออุปสมบทจึงถือเอาบาดและจีวรไปยังบ้านพี่สาวทาพัฒกิจในบ้านนั้นเสร็จแล้วถามอายุพี่สาวของเธอนั้นกล่าวว่าฉันไม่รู้ดอกมารดาของพวกเราสิรู้ เธอกล่าวว่าท่านโปรดคอยวงได้เปิดก่อนวงได้ปิดฉันจับไปยังสำนักมันดาดังนี้แล้วได้เข้าสู่ดงโจรพวกโจรจับเธอไว้บางพวกพูดว่าพวกเราจะฆ่าผู้นั้นเสียบางพวกพูดว่าพวกเราจะปล่อยไปสมนเนศคิดว่าเรายังเป็นเสขะมีกิจที่จะต้องทำอยู่ เราจากเจราจากับโจลเหล่านี้ทําตนให้ปลอดภัยอย่างนี้แล้วกล่าวว่าถ้าพวกท่านจากฆ่าข้าพเจ้าเสียายเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกคนเดินทางไกลรู้เรื่องนั้นเข้าก็จะไม่มาท่านทั้งหลายจะมีความเสื่อมจากทรัพย์โจลเหล่านั้นคิดว่าสามเณรรูปนี้ผู้ถูกอย่างนี้แล้วกล่าวว่าถ้าท่าน พบคนอื่นสวนทางมาจักไม่บอกไซก็จงไปเถิดเมื่อสามนเณรรับว่าได้จ้ะจึงปล่อยเธอไปสมนนามเณรนั้นอันโจรเหล่านั้นปล่อยแล้วเดินไปพบแม้ญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นก็ไม่ได้บอกแม้แก่พวกเขาพวกโจรจับคนเหล่าอื่นซึ่งไปถึงหนภายหลังช่วยกันเบียดเบียนแล้วทีนั้น แม่มารดาของสมณเณรคร่ำครวญอยู่ถูกพวกโจรถามแล้วบอกว่าที่ฉันเป็นมารดาของสมณเณรชื่อว่าอธิมุตกะผู้นี้เป็นบิดาคนเหล่านี้เป็นพี่น้องชายพวกโจรคิดว่าสมณะผู้นี้พูดคําจริงดังนี้แล้วเลื่อมใสปล่อยพวกญาติของเธอไปแล้วบวชในสำนักของเธอนั่นเอง เธอพาสมเณีเหล่านั้นไปสู่สำนักพระสังกิตจัตเจระตนเองอุปสมบทก่อนภายหลังจึงให้สมเณีเหล่านั้นอุปสมบททำให้เป็นอันเตวาสิก ข, ของตนภิกษุเหล่านั้นตั้งอยู่ในโอวาทของพระอธิมุตตะเทียระบรรลุพระอรหัสต์แล้ว